قال انت هل ادل لكم على اهل بيتي يقبلونه لكم وهم له ناصحون لا راได ห้ามเขาไว้ก่อนแล้วเรื่องแม่หนุ่มดันนั้นเธอ فَتَقَرَّبَ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ دَنั้น เราจึงให้เขากลับไปหามารดาของเขาเพื่อที่จะเป็นที่น่าชื่นชมยินดีแก่นางและนางจะไม่เศร้าโศกและเพื่อนนางจะได้รู้ว่าแท้จริงสัญญาของอัลเลาะห์นั้นเป็นจริง แต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้วะลัมมาบะลัฆอัชดดะฮูวัสตะวาอะตัยนาฮูฮุกมันวะอิมมาวะกะซาลิกะลัจซิลมุห์ซินีนเมื่อเขาบรรลุความเป็นหนุ่มและเติบโตเต็มที่แล้วเราได้ให้ความเข้าใจให้ความรู้แก่เขาและเช่นนั้นแหละเราจะตอบแทนแก่บรรดาผู้กระทำความดี ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فتضع عليه قال هذا من عمل الشيطان انه عدو مضل مبين لقد موسى دخلوا في المدينه عندما ชาว المدينه كانوا يسترخون هم رأوا شابين يتقاتلون هناك واحد جاء من حاشيته والآخر جاء من جانب عدوه لذلك الذي جاء من حاشيته طلب المساعده เพื่อให้ปราบฝ่ายที่เป็นศัตรูของเขามูซาได้ต่อยเขาแล้วฆ่าเขาเขากล่าวว่านี่มันเป็นการกระทําของชัยฏอนแท้จริงมันเป็นศัตรูที่ทําให้หลงผิดอย่างแจ้งชัดอัลลอฮุร็อบบีอินนีซัลัมตุนัฟซีฟัฆฟิรลีฟัฆฟิรละฮูอินนะฮูฮวัลกอฟูรอร रहीम เขากล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันแท้จริงฉันได้อธรรมต่อตนเอง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 ฉันจะไม่เป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำความผิดอีกต่อไป فاصبح في المدينه قائفه يترقب فاذا الذي استنصرهم بالامس يستصرخه قال لهم موسى انك لضئ مبين <หน>เมื่อเข้ามาอยู่ในเมืองเค้ากลัวจะเกิดภัยแก่เค้าขณะนั้นผู้ที่เคยร้องขอให้เค้าช่วยเหลือเมื่อวานนี้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 ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين ما هو ต้องการที่จะเป็นผู้ปราบศัตรูกับเขาทั้งสองเขากล่าวว่าโอ้มูซาเอ๋ยท่านต้องการที่จะฆ่าฉันดังที่ท่านได้ฆ่าคนหนึ่งไปแล้วเมื่อวานนี้หรือท่านไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน และท่านไม่ปรารถนาที่จะเป็นผู้ปรองดองให้ดีต่อกันวะจาอรบุคคลมินอกศลมะดีนะตยะซะออกาลยามูซาอินนัลมะลายะอ์ตะมิรูนบิกะลิยักตุลูกะฟะอัรุจอินนีละกะมินอันนาซิฮีนและชายคนหนึ่งได้มาจากชานเมืองอย่างเร่งรีบเค้ากล่าวว่าโอ้มูซาเอ๋ย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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ مَدْيَنًا وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْبِحَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ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 ที่พระทรงประทานลงมาให้แก่ฉัน فجاءت احداهما تمشي على استحياء คนได้มาหาเขา เดินมาอย่างเขเฉือนแล้วกล่าวขึ้นว่าคุณพ่อของดิฉันขอเชิญท่านไปเพื่อจะตอบแทนค่าแรงแก่ท่านที่ได้ช่วยตักน้ําให้เราคั้นเมื่อเค้ามูซาได้มาหาเค้านบีซุอัยบและได้เล่าเรื่องราวให้แก่เค้าฟังเค้านบีซุอีฟได้กล่าวว่าท่านไม่ต้องกลัวท่านได้หนีพ้นจากกลุ่มชนผู้อธรรมแล้ว قالت احداهما يا ابتي استاجره ان خير من استاجرت القوي الامين نانคนหนึ่งในสองนั้นกล่าวว่าโอคุณพ่อจ๋า จ้างเขาไว้สิแท้จริงคนดีที่ท่านควรจะจ้างเขาไว้คือผู้ที่แข็งแกร่งผู้ที่ซื่อสัตย์ قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على على ان تجرني ثمان حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قاوشاء กล่าวว่าแท้จริงฉันต้องการให้ท่านสมรสกับลูกสาวคนหนึ่งใน 2 คนนี้ โดยท่านจะต้องทํางานให้ฉัน 8 ปีและถ้าท่านทําครบ 10 ปีก็เป็นความดีที่มาจากท่านฉันไม่ต้องการที่จะทําความลําบากให้ท่านอินชาอัลเลาะห์ท่านจะพบฉันอยู่ในหมู่คนดีกอละซาลิกะบัยนีวะบัยนิกอัยยามัลอะญะลัยนกอดัยตุฟะลาอุดวานอะลัยวัลลอฮุอะลามานะกูลุวะกีน เอามูซากล่าวว่านั่นคือสัญญาระหว่างฉันกับท่านฉันจะปฏิบัติให้ครบ 1 ในกำหนดทั้งสองจะไม่ลำบากใจแก่ฉันและอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นพยานต่อสิ่งที่เราพูดกัน نَسْتُنَارَ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ คราเมื่อมูซาปฏิบัติครบกำหนดแล้วและได้เดินทางนำครอบครัวของเขาไปอียิปต์เขาได้มองเห็นไฟลุกอยู่ข้างภูเขาทูตเขาจึงพูดกับครอบครัวของเขาว่าจงอยู่ที่นี่ก่อนแท้จริงฉันเห็นไฟ บางทีชั้นจะนําข่าวจากที่นั่นมาให้พวกท่านหรือเอาดุ้นไฟมาเพื่อพวกท่านจะได้อบอุ่นขึ้น เมื่อเข้าได้มาที่ฝ่ายได้มีเสียงเรียกจากที่มุมทางด้านขวาในสถานที่ที่มีความจําเริญณที่ต้นไม้ว่าโอ้มูซาเอ๋ยแท้จริงข้าคืออัลเลาะห์พระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกวะอันอัลกีอะศากฟะลัมมาราฮาตะฮัดซุกอันนาจานนูวัลลามุดบิรันวะลัมมูอักกิบ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 طوب طه اسن لو ك يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سو واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانا لربك الى فرعون وملئه انهم كانوا قوما فاسقين تمسار มือของเจ้าเข้าไปในกระเป๋าเสื้อของเจ้า มันจะออกมาขาวปราศจากอันตรายใดๆและจงเอามือแนบตัวเจ้าไว้เพื่อคลายความตกใจนั่นคือสัญญาณทั้งสองจากพระผู้อภิบาลของเจ้าไปยังฟิรอูนและบุคคลชั้นหัวหน้าของเขาแท้จริงพวกเขาเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนอัลลอฮฺร็อบบิอินนีกะตัลตุมินฮุมนัฟซาฟะอคอฟุอันยักตูลูนเขามูซากล่าวว่า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 ดังนั้นขอได้โปรดส่งเขาเป็นผู้ช่วยร่วมไปกับฉันด้วยเถิดเพื่อเขาจะได้ยืนยันให้แก่ฉันแท้จริงฉันกลัวว่าพวกเขาจะปฏิเสธฉันอัลลอฮฺจะเสริมกำลังแก่เจ้าด้วยพี่ชายของเจ้าและจะทำให้เจ้าทั้งสองมีอำนาจดังนั้นพวกเขาจะไม่สามารถมาถึงเจ้าทั้งสองได้ด้วยอายะห์ของเราเจ้าทั้งสองและผู้ที่ตามเจ้ามาคือผู้ชนะพระองค์อัลลอฮฺตรัสว่า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 قالوا ما هذا الا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين และเราไม่เคยได้ยินข้อกล่าวอ้างเช่นนี้ในสมัยของบรรพบุรุษของเราแต่การก่อนเลยวะกอลามูซาร็อบบีอะอฺลัมบิมันจาอะ อิล-ฮุดา มินอะดีฮีวะมันตะกูนุละฮู อากีบะตุด-ดาอฺ อินนะฮูลา ยุฟลิหุด-ดอริมูน ละมูซากล่าวว่า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 فَأَوْقِدْ لِيَ هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلَ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ لَفِرْعَوْنُ قَالَ وَأُوهْ بُورِوَانَ เอ๋ยฉันไม่เคยรู้จักพระเจ้าอื่นใดของพวกเจ้านอกจากฉันโอ้หามานเอ๋ย จงเผาดินทําอิฐให้ฉันด้วยแล้วสร้างโครงสูงระฟ้าเพื่อที่ฉันจะได้ขึ้นไปดูพระเจ้าของมูซาและแท้จริงฉันคิดว่าเขานั้นอยู่ในหมู่ผู้กล่าวเท็จ wastakbara huwa wa junuduhu fil ard bi ghayri al haqq wa dhannu annahum ilayna la yurjaun และเขาฟิรอูนและไพร่พลของเขาได้หยิ่งผยองในแผ่นดิน โดยอัธรรมและพวกเขาคิดว่าพวกเขานั้นจะไม่ถูกนํากลับไปอย่างเรา فَاخَذْنَا هُوَ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ดังนั้นเราได้ลงโทษเขาและไพ่ผลของเขาเราได้โยนเขาลงในทะเลแล้ว บ้านปลายของพวกอธรรมนั้นเป็นเช่นไรวะจัลนาฮุมอะอินนะเดยดอูนอิลันนารวะยามัลกิยามะติลายุนซอรุนเราได้ทําให้พวกเขาเป็นหัวหน้าเรียกร้องไปสู่นรกยะฮันนัมและในวันกิยามะพวกเขาจะไม่ได้รับความช่วยเหลือวะอัตบะนะฮุมฟีฮาซิฮิดดุนยาละนะ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُورِينَ لاَ رَاوِدُهُمْ كَانَ شَأْءٌ تِتَابْهُمْ فِي اللُوكْ نِي وَ فِي وَنْ كِيَامَهْ فُوكْ كَوْجَايُو نِي مُهُ فُتُوكْ خَبْ ไลออกจากความเมตตา وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِر بَصَائِرًا لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ لاَ دُيْنًا نَّهْنُهُ مُوسَى بَعْدَ أَن قَتَلْنَا الْأُمَمَ السَّابِقَةَ لِيَكُونَ لَهُمْ مَوْعِظَةً وَلِيَكُونَ سَبِيلًا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 وَمَا كُنْتَ تَأْوِيَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ تَقَدَّمَ لَنَا بَعْضُ الْعُصُورِ وَطَالَ عُمْرُهُمْ وَلَمْ تَظْهَرْ أَنْتَ مَعَ قَوْمِ مَدْيَنَ لِتُعْرِيَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّ แท้จริงเราเป็นผู้ส่งเจ้ามา وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ الرَّحْمَةَ مِنْ رَبِّكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين لا حقไม่ใช่คร็อกกรรมหนึ่งประสบแก่พวกเขา เนื่องด้วยนามมือของพวกเขาที่ได้กระทำไว้ก่อนแล้วพวกเขาก็จะพูดขึ้นว่า โอ้พระผู้อภิบาลของเราเหตุใดพระองค์จึงไม่ส่งรอซูลคนหนึ่งมายังพวกเราเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติตามองค์การทั้งหลายของพระองค์ท่านและจะได้อยู่ในหมู่ผู้ศรัทธา اَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَظَاهَرُوا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ กว่าพวกเขามิได้ปฏิเสธสิ่งที่ถูกประทานให้แก่มูซาก่อนหรอกหรือพวกเขากล่าวว่าทั้ง 2 คือเวทมนต์ที่สนับสนุนซึ่งกันและกันและว่าเราเป็นผู้ปฏิเสธทั้งสิ้นฟัลฟาตูบิกิตาบินมินยะดีลลาฮิฮุวะเอห์ดามินฮูมาอัตตะบิออัตตะบิออินกุนตุมซอดิกีนจงกล่าวเถิดมุฮัมมัด วะดังนั้นพวกเจ้าจงนำคัมภีร์สักเล่มหนึ่งจากอัลลอฮ์ที่ดียิ่งกว่าทั้งสองมาซิเพื่อที่ฉันจะได้ปฏิบัติตามมันหากพวกเจ้าเป็นผู้พูดจริตัยลัมยัสตัจีบุละกะฟะอ์ลันอันมายัตตะบิอูนอะฮวาอ์ฮุมวะมันอะฎัลลิมิมมันอิตตะบะอ์ฮะวาอ์ฮูบิฆัยรุฮุดันมินอัลลอฮ์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 patching อัลเลาะห์จะไม่ส่งให้ทางนําที่ถูกต้องแก่กลุ่มชนผู้อาธรรมวะลกอดวัสซัลนาลาฮุมุลกอุละลัลละฮุมยะตะซักกะรุนและโดยแน่นอนเราได้พระดํารัสอัลกุรอานสืบต่อเนื่องกันแก่พวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้ใคร่ครวญอัลละซีนาอะตัยนาฮุมุลกิตาบะมินกอบลิฮิมบิฮิยูมมินูนบรรดาผู้ที่ประทานคัมภีร์แก่พวกเขามาก่อน มันอัลกุรอานพวกเขาก็ได้ศรัทธาต่ออัลกุรอานด้วยวะอีดายุตลาอะลัยฮิมกาลูอามานนาบิฮิอินนะฮุลฮักกุมิรร็อบบินาอินนาคุนนามินกับลิฮิมุสลิมีนและเมื่ออัลกุรอานได้ถูกอ่านแก่พวกเขาพวกเขากล่าวว่าเราศรัทธาต่อมันแล้ว แท้จริงมันคือสัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของเราแท้จริงเราเป็นมุสลิมมาก่อนหน้านี้อูลากายูตอนะอัจเราฮุมมัรตัยนบิมาซับรูวะยัรอนบิลฮะซะนะติอัสซัยยอะตะวะมิมมารซักนาฮุมยุนฟิกูนชนเหล่านั้นจะได้รับรางวัลของพวกเขา 2 ครั้งเนื่องจากพวกเขาได้อดทน และพวกเขาป้องกันความชั่วด้วยความดีและพวกเขาบริจาคสิ่งที่เราให้เป็นเครื่องยังชีพแก่พวกเขาวะอิซะสะมิอุลละฆวะอะอรอฎูอันฮุวะกาลูละนาอะอมาลุนาวะลากุมอะอมาลุกุมสะลามุนอะลัยกุมลานบตฆิลญาฮิลีนและเมื่อพวกเขาได้ยินเรื่องไร้สาระพวกเขาก็ผินหลังห่างออกไปจากมันและกล่าวว่า การงานของเราจะได้แก่เราและการงานของพวกเจ้าก็จะแก่พวกเจ้าขอความสันติจงประสบแด่พวกเจ้าโดยเราจะไม่ขอร่วมกับพวกงุ่มงายอินนะกะลาตะฮดีมะนอะห์บะบะตะวะลาคินนัลลอฮะยะฮดีมะนยะชาอูวะฮุวะอะอฺลัมบิลมุฮตะดีนแท้จริงจะไม่สามารถที่จะชี้แน่ทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่เจ้ารักได้ ตาอัลลอฮ์จะทรงชี้นำทางนำที่ถูกต้องแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และพระองค์ทรงรู้ดียิ่งถึงผู้ที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องวะกูลูอินนัตตะบิอุลฮุดามะอ์กะนุตัค็อฟฟ์มินอฎฎินาอะวะลัมนุมักกิลละฮุมฮะรอมันอามีนันยุจบาอิลัยฮิซะมะราตุคุลลิชัย تنرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اثرهم لا يعلمون لا بوكاو กล่าวว่าหากเราปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องร่วมกับท่านพวกเราจะถูกฉุดกระชากออกจากแผ่นดินของเราและเราไม่ได้ตั้งหลักแหล่งแก่พวกเขาในเขตหวงห้ามอันปลอดภัยดอกหรือซึ่งผลไม้ทุกชนิดถูกนํามาอย่างที่นั้น เป็นเครื่องยังชีพที่มาจากเราแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้วะกัมอะห์ละกนามินกอริยะตินบะฏเราะตมะอีชะตฮาฟะติลกะมะซากินะฮุมลัมตุสกัมมินบะอ์ดะฮุมอิลลากะลีลาวะกุนนะละห์นุลวาริธีนละกิมากน้อยแล้วที่เราได้ทําลายเมืองซึ่งหยิ่งผยองในความเป็นอยู่ของมัน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 وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ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 พวกเจ้าไม่ใช้ปัญญาดอกอะฟะมะอ์ดนาวะอ์ดันฮะซะนะนฟะฮูวะลากีฮ์กะมัมมัตตะอ์นาฮุมะมะตะอัลฮะยาติ อัด-ดุนยา ซุมมะฮุวะยะอ์มะลกิยามะติมินัลมุหฎอรินดังนั้นผู้ใดที่เราได้สัญญาแก่เขาซึ่งเป็นสัญญาอันดีงามเค้าก็จะเป็นผู้พบมันจะเหมือนกับผู้ที่เราได้ให้เป็นปัจจัยแห่งชีวิตของโลกนี้ แล้วในวันกิยามะห์เขาเป็นผู้หนึ่งในหมู่ผู้ถูกนํามาอยู่ต่อหน้ากระนั้นหรือวะยาอ์มะยูนาดี้ฮิมฟัยะกูลูไอนาชุระกออิลละซีนะกุนตุมตะซออ์มูนและจงรำลึกถึงวันที่พระองค์ทรงเรียกพวกเขาแล้วตรัสว่าไหนเล่าเหล่าภาคีของข้าที่พวกเจ้ากล่าวอ้างอัลลัลลซีนะฮักกะอะลัยฮิมอัลกอูลร็อบบะนา illa-dheena aghwayna aghwaynahum kama dawayna tabadhanna ilaika ma kanu iyana yaabudun banda phu thi phra damrat kan long thot khu khuan kae phu khao kla wa o phra phu apiban khong rao lao ni khue banda phu thi rao tham hai long phit เราได้ทําให้พวกเขาหลงผิดเช่นเดียวกับเราที่ได้หลงผิดเราขอปลีกตัวออกแด่พระองค์ท่านและพวกเขาไม่ได้เคารพภักดีต่อเราจริงๆหรอกวะกีลดุอูชุรคาอ์กุมฟะดะอูฮุมฟะลัมยัสตะญีบูละฮุมวะราอุลอะดาบลาวอันนะฮุมกานูยะฮตะดูนและจะมีเสียงกล่าวว่า